ภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางพึงเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูหน้าต่างบอกมอบหมายเสนาสนะแล้วพากันจากไปถ้าไม่มีภิกษุพึงบอกมอบหมายแก่สามเณรถ้าไม่มีสามเณรพึงบอกมอบหมายแก่คนวัดถ้าไม่มีคนวัดพึงบอกมอบหมายแก่อุบาสก ถ้าไม่มีภิกษุสามเณรคนวัดหรืออุบาสกพึงยกเตียงขึ้นวางไว้บนศิลาสี่แผ่นยกเตียงซ้อนเตียงยกตั้งซ้อนตัง้งกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนแล้วเก็บเครื่องใช้ไม้เครื่องใช้ดินปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงพากันจากไปถ้าวิหารฝนร่วง